เจริญพรท่านสาวธุเชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราชส5งพเป็นวันพราวันธรรมวัฒนาวันปฏิบัติธรรม มันปฏิบัติข้อวัดคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้สาธุชนปฏิบัติกันมีอยู่8ดข้อด้วยกันเรียกว่ามรรคที่มีองค์8คือทางที่ประกอบไปด้วยธรรมะแดประการด้วยกัน เป็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์เป็นความเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขและความเจริญที่ท้าววเป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้เดินไปถึงแล้วแล้วได้นำเามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ สัตว์โลกผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสและเมื่อได้ปฏิบัติตามก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปถึงเช่นพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ จนได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปถึงก็คือการสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้เป็นการสร้างความทุกข์ทุกจะมีกับผู้ที่เกิดเสมอเพราะจะต้องมีความแก่ มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพราดจากกันเสมอแต่ทุกข์จะไม่มีไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เกิดเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องพัาดพราดจากกันดังนั้นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงต้องดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเนินมาและทรงสอนให้ปฏิบัติตามที่มีอยู่8ประการด้วยกันเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางมรรคแคือมรรคคือทางที่มีธรรมะที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องเจริญ ให้ปรากฏขึ้นมาในใจอยู่แปดประการด้วยกันคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกรปรความคิดชอบ 3. สัมมากรรมโตการกระทำชอบ 4. สัมมาวายามสัมมาวาจา การพูดชอบ 5. สัมมาอาชิโวมีอาชีพชอบ 6. สัมมาวายามโมมีความเพียรชอบ 7. สัมมาสติมีสติระลึกรู้ชอบและ 8. สัมมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นชอบ นี่คือธรรมะแปดประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวต้องดำเดนินต้องปฏิบัติตามข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบ หรือความเห็นที่ถูกต้องที่ตรงกับความจริงความเห็นที่ตรงกับความจริงคืออะไรคือบุญมีจริงนรกมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงการสิ้นสุด จากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงคือมรรคผลนิพพานมีจริงนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สมตัดสรุ้แล้วนำเอามาสั่งสอนแก่สัตว์โลกทั้งหลายถ้าเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าสอน <c oughs> ก็จะถือว่ามีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำบาปแล้วต้องไปนรกทำบาปแล้วต้องรับนรในต้องได้นรกเป็นผลที่ตามมาทำบุญต้องได้สวรรค์เป็นผลที่ตามมาถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะมีได้มักผลนผิพพานตามมาได้การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความจริงที่พวกเราต้องเชื่อถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นด้วยตัวเองเราต้องเชื่อไปก่อนเพราะการเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายไม่เกิดโทษอย่างแน่นอนมีแต่จะเกิดประโยชน์โดยถ่ายเดียว ดังที่ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้ามาก่อนได้เป็นผู้ที่รับรองแล้วว่าจะได้ตามที่จะได้รู้ไล่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแน่นอนคือจะได้เห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นมรรคผลนิพพาน ก็เป็นความจริงแต่ที่พวกเราไม่ยังมองไม่เห็นก็เพราะใจของพวกเรานี้ยังมืดบอดเหมือนคนตาบอดถ้าเราทําใจของเราให้สว่างด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเราก็จะเห็นนรกสวรรค์เห็นบุญเห็นบาปเห็นมรรคผลนิพพานที่ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในใจของพวกเราเอง ตอนนี้พวกเราไม่เห็นกันพวกเราจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อให้ได้เห็นเพราะเมื่อเห็นแล้วเราก็จะได้ไม่สงสัยและจะได้สมบัติคือมรรคผลนิพพานมาไว้เป็นสมบัติของเราต่อไปตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ในใจเราแต่เรายังเข้าไม่ถึงสมบัติอันนี้ เราถูกความมืดบอกปิดกั้นขวางทางเอาไว้หลอกให้เราไปหาสมบัติที่ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสมบัติชั่วคราวและไม่สามารถที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้ไม่สามารถที่จะ ดับทุกข์ให้แก่พวกเราได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราอย่าหลงตาติดเลอย่าหลงตาความหลงที่หลอกให้พวกเราไปหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ของเราทรัพย์ที่จะดับทุกข์ให้กับเราได้ต้องเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญ ทรัพย์ที่เกิดจากการละบาปทรัพย์ที่เกิดจากการปฏิบัติทำชำระความหลงความโลภความโกรธให้หมดออกไปจากใจเท่านั้นถึงจะทําให้เราได้พบกับทรัพย์อันประเสริญนี้ดังนั้นข้อแรกที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องคือเราต้องเห็นหรือเชื่อว่าบุญมีจริงการทำบุญนี้มีผลจริงคือทำบุญแล้วจะได้สวรรค์ขึ้นมาในใจทำบาปก็จะได้นรกขึ้นมาในใจชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา ก็จะได้มรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาภายในใจอยู่ในใจเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาไม่มีมรรคผลนิพพานมีอยู่ในใจของเราเท่านั้นดังนั้นเราต้องหันเข้ามาที่ใจของเรามาดับความมืดบอด ด้วยแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสังกัปปะนี่คือธรรมะข้อแรกที่เราต้องมีคือความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ธรรมะข้อที่สองคือความคิดที่ถูกต้องพอเราเชื่อแล้วว่าบามีจรงิงบุญมีจรงิง เชื่อว่าการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในใจของเราเราก็จะคิดที่จะทำบุญคิด ท, ที่จะละบาปคิด ท, ที่จะชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกลมเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำใจให้สงบนิ่ง ออกจากความสงบนิ่งก็สอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์ของเราไม่สามารถดับความทุกข์ให้แก่เราได้ต้องทรัพย์ภายในก็คือการชำระใจของเราให้สะอาบดบริสุทธิ์นี่คือความคิดที่เราจะต้องคิดกันอยู่เรื่อยๆ เช่นวันนี้ยากโยมก็มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะคือมีความเห็นที่ถูกต้องและมีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงวันนี้ก็เลยคิดมาทำบุญคิดมาละบาคิดมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ด้วยการถวายทานทำบุญตักบาตถวายจตุปัจจัยต่างๆแล้วก็รักษาศีลสมาทานศีลแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะซักฟอกใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่คือข้อที่สองถ้ามีข้อที่หนึ่งแล้วก็จะมีข้อที่สองคือความคิด เมื่อเรามีความคิดแล้วก็จะมีการกระทาที่ถูกต้องตามมาเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือจะมีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีนี่ก็คือสัมมากัมมันโตการกระทาที่ถูกต้องคือต้องไม่ฆ่าผู้อื่นต้องไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นถ้าจะมีคู่ครองก็ต้องขอให้ถูกตามประเพณีต้องไปทำการสู่ขอแกจากวิดามารดาถึงจะถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกไม่เป็นการกระทําที่ผิด เมื่อเรามีการกระทำที่ถูกแล้วเราก็จะมีการ ก, รการพูดที่ถูกคือจะมีสัมมาวาจาคือจะไม่พูดในเรื่องที่จะทําให้เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาท่านก็สอนว่าคือการพูดปดนี่เองถ้าพูดปดแล้วจะเป็นบาปเพราะจะทําให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนต้องพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวงกัน นอกจากนั้นก็สอสอนไม่ให้พูดคําหยาบด้วยไม่ให้พูดเพ้อเจ้อคือพูดเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เช่นนินทากาเลววิภาควิจารณ์คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านไม่ให้พูดท่านให้พูดแต่เรื่องธรรมะเช่นให้พูดเรื่องทาบุญให้ทานเรื่องรักษาศีล เรื่องนั่งสมาธิเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องการฟังเทศน์ฟังธรรมเรื่องการไปวัดไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดให้พูดเรื่องราวหลังนี้เพราะจะเป็นประโยชน์จะทําให้เกิดการปฏิบัติตามมาจะทําให้เกิดการทําบุญตามมาจะเกิดการรักษาศีลตามมาเกิดการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมตามมา เมื่อเกิดการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเกิดผลก็คือมรรคผลนิพพานตามมานั่นเองเกิดสวรรค์ตามมาดังนั้นเราต้องมีสติเวลาเราพูดหรือทำอะไรอย่างวันนี้เราก็ได้สมาทานศิ่งห้ากันแล้วเราได้สัญญากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วว่าวันนี้จะรักษาศิ่งห้าข้อ ถ้าเราไม่มีสติเราก็เผลอได้เงินได้เราต้องคอยดูการพัฒนาการพูดของเราเสมอว่าเรากำลังจะพูดความจริงหรือพูดคำเท็จเรากำลังจะพูดคำหยาบหรือพูดคำสุภาพเราจะพูด cher, เพ้อเจ้อหรือเราจะพูดธรรมะเราจะพูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามนาที หรือเราจะพูดเพื่อประสานความสามคัคคีนี่คือสัมมาวาจาเป็นธรรมะข้อที่สที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาในตัวของเราธรรมะข้อที่5ก็คือสัมมาอาชีวะก็คือสัมมาอาชีพนี่เองอาชีพที่สุดจริตอาชีพที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม อาชีพที่ไม่ไปกระทบไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ควรจะกระทําถึงแม้เราไม่ได้ไปเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเองแต่สิ่งที่เราขายนี้ไปสามารถไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือถูกทำร้ายถึงแก่เสียชีวิตได้ก็ไม่ควรจะทำ เช่นอาชีพขายสุรายาเม au, นี่ไม่ควรจะทําเพราะทําแล้วจะทําให้คนดื่มสุรามึนเมาแล้วก็ไปอาละวาไปทําร้ายผู้อื่นได้นอกจากไม่ขายสุราแล้วก็ไม่ให้ขายยาพิษต่างๆยาพิษที่จะทําให้ถึงแก่ความตายได้ไม่ให้ขายอาวุธหรือกับดักสับเบ็ดอย่างนี้เป็นต้น จะไปทาร้ายชีวิตของสัตว์เดรัจฉานและไม่ให้ทาอาชีพค้าขายสิ่งที่มีชีวิตเช่นค้าเป็ดค้าไก่ค้าวัวค้าวคาวายเพราะจะทาร้ายหรือทำลายชีวิตของสัตว์ต่อ น, นั้นนั่นเองนอกจากนั้นก็ต้องไม่ทาอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมเช่นเราจะไม่ ช่อโก้รำอาชีพต้องซื่อสัสตว์สุดจริตไม่โกหกหลอกลวงไม่ช่อโกไม่ฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตนี่คือสัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องข้อต่อมาคือข้อที่6ท่านสอนให้เรามีสัมมาวายา ม, มูวายามูนี่แปลว่า ความภาคเพียนที่ถูกต้องความภาคเพียนที่ถูกต้องนี้มีอยู่หลังนี้คือให้มีความภาคเพียงในการทำบุญให้มีการภาคเพียนในการละการกระทาบาปให้มีความภาคเพียนในการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เองคือให้ขยันทำแต่งานเหล่านี้ อย่าไปทำงานอย่างอื่นเช่นอย่าไปขยันหาเงินหาทองมากจนเกินไปหาหายศหาตำแหน่งหาความสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายความเพียรแบบนี้ไม่ได้ชำระใจให้สะอาดต่อยสุดแต่จะทำให้ใจมีกิเลสตัณหาความสกรปรกเพิ่มขึ้นไปภายในใจ และถ้าไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ใจต้องไปทำบาปทำกรรมได้เช่นถ้าเที่ยวจนหมดเงินหมดทองแต่ยังอยากจะเที่ยวอีกก็จะต้องไปหาเงินมาโดยวิธีมิชอบถ้าไม่สามารถหามาด้วยได้ด้วยวิธีสุดเจริญเช่นพวกที่ไปต้นไปจี้ธนาคารร้านค้าต่างๆ ตรงนี้เป็นพวกที่ชอบทเที่ยวชอบหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณพะแต่ไม่มีปัญญาหาเงินหาทองได้ด้วยวิธีที่สุดเจริญก็จะไปทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อจะได้เอาเงินมาเที่ยวต่อนั่นเองนี่คือสัมมาวายาโมคือความภาคเพียนต้องภาคเพียนในการทำบุญละบา และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่ภาคเพียงในการทำบาปภาคเพียงในการทำให้จิตใจของเรามีความโสกปรกมากขึ้นมีกิเลสตัณหามากขึ้นธรรมะข้อที่เจที่เราจะต้องเจริญกันหรือมีในตัวของเราก็คือสติสติที่ถูกต้องคืออะไรก็คือสติต้องอยู่ ที่ร่างกายของเราให้ใจของเราเฝ้าดูร่างกายของเราให้ระลึกรู้อยู่ที่ร่างกายของเราอย่าให้ไปรู้อยู่ที่เรื่องอื่นเช่นเราทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทาของร่างกายของเราเรากำลังเดินก็ให้รู้อยู่ว่าเรากำลังเดินเรากำลังอาบน้าก็ให้รู้ว่าเรากำลังอาบน้ากำลังรับประทานอาหารกาลัง ทำอะไรก็ตามให้สติและลึกรู้อยู่กับการกระทาของร่างกายอย่าให้ร่างกายไปที่อื่นเพราะถ้าไปที่อื่นก็แสดงว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถทำให้ใจมีสัมมาสมาธิคือทำข้อที่แปได้คือใจที่ตั้งมั่นในปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ จะต้องมีสติเป็นผู้คอยดึงใจไว้ให้อยู่ติดอยู่กับร่างกายเสมอถ้ามีสติดึงใจไว้ได้แล้วเวลาทำใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบก็จะสามารถทำได้คือเวลานั่งหลับตาแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจมีสติก็จะระลึกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไป ไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอสงบนิ่งใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาสักตวารุนี่ก็คือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องตั้งนิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆปราศจากนิมิตต่างๆถ้าใจสงบแล้วออกไปรู้นรกรู้สวรรค์รู้เปรตรู้ กายทิพย์ต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ต่างๆแต่กลับจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลตตันหาให้มาสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะจะหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองวิเศษมีอิทธิฤทธิ์มีตาทิพย์หูทิพย์แต่หารู้ไหมว่ากำลังกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแทนที่จปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลสกลับมากลายเป็นลูกน้องของกิเลสทำตามคำสั่งของกิเลสคือความอยากใหญ่อยากโต อยากมีคนนับถือเคารพนับถืออยากมีลากมียศคนพวกนี้เวลานั่งสมาธิแล้วปรากฏเห็นสิ่งเหล่านี้ก็มักจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหากินต่อไปแทนที่จะปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์กลับกลายเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างความทุกข์ สร้างภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะมีความอยากให้ตัวเองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆวิเศษขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้มีคนเคารพนับถือมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจของเราไปรับรู้เรื่องต่างๆเราต้องอย่าไปตามรู้ขอให้เดึงกลับเข้ามาหาคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธ อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาภายในใจอย่าไปสนใจมีแสงสวา่างมีปิติขนลุกสู้ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความนิ่งสงบจิตใจไม่คิดปรุงแต่งจิตใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเป็นเอกตารม สักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียวอันนี้จะเป็นสมาธิที่จะดับดับความทุกข์ได้ตัดกิเลสได้เพราะกิเลสจะไม่สามารถทำงานได้เวลาที่จิตสงบนิ่งแต่ถ้าจิตไม่สงบนิ่งเช่นออกไปตามรู้นิมิตต่างๆกิเลสก็จะตามไปด้วย กิเลสก็จะยะ ก, ก็จะหลอกให้ตามไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็หลอกให้คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษผู้ที่รู้สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นผู้ที่วิเศษอาจจะหลงไปคิดว่าเป็นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะกิเลสยังมีอยู่เต็มหัวใจ กิเลสที่จะสร้างความทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องเจริญสมาสมาธิเพื่อทําใจให้สงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วเราจะมีอาวุธที่จะเบรกที่จะตัดกิเลสได้เวลากิเลสโผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้สมาธิเราก็จะหยุดกิเลสได้ เพียงแต่ว่าสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสได้อย่างถาวรต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ประที่เป็นองค์ประกอบของปัญญานี้คือต้องมองให้เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นอันตรายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องดับต้องไม่หลง เวลาอยากจะได้อะไรก็จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสหลอกให้ไปอยากได้นั้นไม่สามารถมาดับความทุกข์ให้กับเราได้แต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเช่นยกตัวอย่างเวลาเราอยู่คนเดียวแล้ว เ, เกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาเห็นคนอื่นเขามีคู่ครองก็คิดว่าเราน่ า, นานจะมีคู่ครอง เพราะถ้าเรามีแฟนมีคู่ครองแล้วเราจะได้มีความสุขจะได้ไม่ซ้อยเศร้าเหงาหงอยหงอยเหงาจะได้ไม่มีความทุกข์ใจแต่พอเราไปมีแฟนแล้วเป็นยังไงความทุกข์ใจหายไปไหมหรือกลับมีความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาไหน่พอมีแฟนแล้วก็ต้องห่วงแล้วความห่วงนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง ก็ต้องห่วงอีกความห่วงก็เป็นความทุกข์อีกอย่างนึงเวลาที่เขาไม่ดีกับเราก็เกิดความเสียใจขึ้นมาอีกอย่างก็เป็นความทุกข์อีกอย่างเวลาเขาจากเราไปหรือเขาทิ้งเราไปเราก็จะเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่คือความหลงที่จะหลอกให้เราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้คนนั้นคนนี้มาแล้วเราจะมีความสุข จะดับความทุกข์ได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ดับความทุกข์และมันกลับสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกสู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาไม่ดีกับเราหรือทิ้งเราไปให้คิดอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสัมปกปอความคิดที่ถูกต้องให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยง เกิดมาแล้วมีดับไปมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ไปให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราและให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนี่คือปัญญาถ้าเราคิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเราอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะมีความสงบ ความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปมีอะไรมาสร้างให้เกิดขึ้นเราสร้างได้ด้วยสัมมาสติดังนั้นขอให้เราจงพยายามเจริญมากทั้ง8ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปะความคิดที่ถูกต้อง สัมมากรรมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิความสงบความสงบตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้อง ถ้าเรามีมรรคทั้ง8ประการนี้แล้วใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นมาแล้วด้วยมรรคแนี้และพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้หลุดพ้นจากมรรคทั้ง8มรรคแนี้ด้วยกันเหมือนกันพวกเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยมรรคที่มีองค์8นี้เช่นเดียวกัน เพราะมรคนี้เป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปดับการตามเวลากับเวลาไม่ได้หมายความว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้มรแปดดับความทุกข์ได้แล้วไม่เหมือนกับยารักษาโรคที่หลังจากพ้นวันวันถึงวันหมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้รักษาร่างกายได้อีกแล้วยาของพระพุทธเจ้าคือธรรมโอษฐ คือมรรคแนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยในอนาคตที่จะตามมาข้างหน้าก็ยังใช้ได้อยู่เพราะในอนาคตข้างหน้าที่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนพระธรรมคำสอนก็จะสอนเรื่องมรรคแนี้ไม่ได้สอนเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนเหมือนกันหมดสอนให้สัตว์โลกจเจริญมรรคที่มีองค์แดนี้ท่านั้น จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญมรรคนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุตรกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในพวกนี้ชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเธอ